ความคิดถึงครูบาอาจารย์นี่ล่ละทำภายในใจไม่ใช่ทำในตำราพูดแล้วเราสาธุเราไม่ได้ประมาทตำราเราก็เรียนมาจนเป็นมหาแต่เวลามาปฏิบัติจริงๆมันก็เข้าที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านสอนไว้เวลาไปหาท่านทีแรกท่านมหาก็นับว่าเรียนมามากพอสมควรจนกระทั่งได้เป็นมหา ว่าอย่างนี้นะเราไม่ได้ลืมเลยแต่อย่าว่าผมประมาท ธ, ธรรมะของพระพุทธเจ้านะเวลานี้การเรียนมามากน้อยยังไม่เป็นประโยชน์เท่าที่ควรขอให้ยกบูชาธรรมประเภทต่างๆซึ่งได้เรียนมานี้ไว้บูชาเสียก่อนคือยกไว้อยู่ที่สูงและให้เน้นหนักทางภาคปฏิบัติเข้าให้ดีท่านว่าอย่างนี้ภาคปริยัติกับภาคปฏิบัติ เมื่อจะวิ่งเข้าถึงกันเกี่ยวกันทางภาคปฏิบัติแล้วเอาไว้ไม่อยู่ปริยัติกับปฏิบัติจะวิ่งประสานกันปุ๊บปุบปุเอาไว้ไม่อยู่ท่านว่าเป็นเป็นจริงๆมันวิ่งเทียบกับทางปริยัติกับทางปฏิบัติที่รู้ขึ้นภายในใจภายในใจมันวิ่งประสานกันเราก็ไม่ลืมท่านสอนอย่างนี้ท่านผ่านมาแล้ว ทีนี้ออกภาคปฏิบัติจริงๆปริยัิเลยเงียบไปนะมีแต่พุงพุงพุงทางภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นเวลาไปอยู่กับท่านถ้าไม่ทราบว่าเราเป็นมหาเมากกรตั้งแต่เบื้องต้นที่ไปหาท่านบ้านโคกนามลไปกลางคืนมืดๆนั่นนะ่ะไปเซ้อเซ่าซาท่านเดินจงกรมท่านยืนอยู่ข้างๆเนี่ยกลางคืนไม่เห็นไปมองโน้นมองนี้เทียบเคียงก็เป็นสำนักของท่าน เพิ่งมาอยู่ใหม่ๆนิทว่าเป็นกุติก็จะโตไปสักหน่อยถ้าเป็นศาลารู้สึกจะเล็กสักนิดหนึ่งกำลังพิจารณาท่านขึ้นแล้วใครมาเนี่ยท่านว่าอย่างนั้นนะทางนี้ก็ปุบปับปุ บ, ป, บปับผมก็เปรี้ยงเลยพอว่ากระผมเท่านั้นเปรี้ยงเลยอันผมผมเนี่ยตั้งแต่คนหัวล้าน มันก็มีผมตรงที่มันไม่ล้านเอาขานสินะโอ้เราลืมเมื่อไรเพราะว่างั้นเราก็แก้ปุ๊บเลยนี่หละท่านรู้เราเป็นมหานะแก้ปุ๊บกระผมชื่อว่าพระมหาบัวเออก็อย่างนั้นละสิอันนี้ผมผมแม้แต่เด็กมันก็มีผมเอาอีกนั่นแหละนั่นละ่ะปีหาท่านครั้งแรกจากนั้นมา ท่านก็ประมวลมาว่าปริยัตให้ยกบูชาวไว้ก่อนยังไม่เกิดประโยชน์อะไรมันจะมาคลากคล้าวกันเตะทิบยันกันผลประโยชน์ในการภาวนาจะไม่ได้เท่าที่ควรให้พักไว้ก่อนที่เรียนมามากน้อยไม่หายไปไหนละ่ะให้พักไว้ก่อนให้เน้นหนักทางด้านจิตตาภาวนาเวลามันเข้าประสานกันแล้วเอาไว้ไม่อยู่ทั้งภาคปริยัตภาคปฏิบัติ จะวิ่งประสานกันท่านบอกเอาไว้ไม่อยู่นั่นฟังสินะถ้าถึงขั้นนั้นก็เป็นจริงๆพอภาคปฏิบัติได้เหตุได้ผลได้หลักได้เกณฑ์ขึ้นมามันก็วิ่งกับปริยัติประสานกันประสานกันเทียบเคียงกันปุ๊บปุอย่างท่านว่าไม่ผิดออกภาคปฏิบัติล้วนๆยังมียับสงสัยตรงไหนจิตวิ่งออกไปทางปริัติ เข้ามาเทียบกันปั๊บปั๊บปับไปเรื่อยเข้าภาคปฏิบัติจริงๆแล้วปริยัตไม่มีนะมันจะพุ่งพุ่งอยู่ภายในยิ่งเป็นขั้นสติปัญญาอัตโนมัติด้วยแล้วนี้ไม่มีนะปริยัตคือสติปัญญาอัตโนมัตเรียกว่าความเพียรอัตโนมัตความเพียรหมุนตัวตลอดเวลานี้จะไม่มีปริยัตมีแต่จิตลุนล้วน มันพุ่งพุ่งระหว่างกิเลสกับธรรมฟาดกันนี่แหละถึงได้เห็นอํานาจของธรรมที่ว่าฆ่ากิเลสแต่ก่อนมีแต่กิเลสทําลายสัตว์โลกตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดเป็นกิเลสทั้งนั้นทั้งนั้นเวลากิเลสมีอํานาจมากทีนี้เวลาเราปฏิบัติธรรมธรรมมีกําลังมากแล้วแบบเดียวกันจึงได้มาเทียบเคียงอ๋อเป็นอย่างนี้ เวลาทำมีกำลังมากแปบ๊บออกนี้ทำจะออกแล้วออกแล้วตาหูจมูกลิ้นกายจิตสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดจะเป็นธรรมออกมาออกมาอิเลสออกไม่ได้ถึงขั้นธรรมมีกำลังเป็นอย่างนั้นละ่ะพุ่งๆเลยถ้าหลงขั้นนี้แล้วธรรมมีกำลังแล้วพุ่งเลยที่นี้อยู่ที่ไหนไม่มีคำว่าขาดความเพียร ถึงขั้นมันแล้วสตินี้พอตื่นนอนปับ๊บติดกันปุ๊บเลยนี่เรียกว่าเป็นอัตโนมัติสติปัญญาจะวิ่งกลมกลืนกันไปเลยกับภาคปฏิบัติและก็เชื่อมเข้าไปหามหาสติมหาปัญญาอันนั้นคล่องตัว